พระธรรมเทศนาแผ่นที่หกสิบเจ็ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าปรารถนาให้ไกลแล้วไปให้ถึง วันนี้ประมาณ9โมง10โมงพวกโยมพวกกลุ่มเขากกระจก6ด้านช่องที่ช่องที่7ถึงช่องที่11นะน ะ, ะ, ะช่อง7ล่ะอ่าช่อง7เขามาทำ อะไรสารคดีเกี่ยวกับวัดนาคำน้อยของเราว่าหลวงตาได้มาช่วยสงเคราะห์วัดเราอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างเช่นฝายน้ำล้นเช่นสะน้ำกาแพงนี่แหละจากนั้นเขาก็มาถ่ายทำเกี่ยวกับทนไม้ภายในวัด แล้วก็เกี่ยวกับกำแพงความยาวของกำแพงภายในวัดหลวงพ่อที่แล้วหลวงพ่อก็พาไปก่อนไปดูสระน้ำที่ขุดใหม่พอกลับออกมาแล้วเขาอยากจะยังจะเข้าไปทําอีกนคงไปทําอะไรวะคงจะไปถ่ายเอาต้นไม้มาแล้วก็ถ่ายกําแพงระยะยาวๆแต่ทาฟังฟงดูแล้วก็ เขาก็ให้หลวงพ่อก็าทำให้สัมภาษณ์หลวงพ่อก็เล่าความเป็นมาของวัดป่านาคำน้อยตั้งแต่หลวงพ่อเข้ามาริเริ่มเข้ามาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่มาคิดอยู่ปีตั้งแต่ปีตั้งแต่เดินทุโรงมาตั้งแต่ปีส6บห1 6ต่อ17เจ็ด แล้วก็ต่อมาอีกกลับมารอบสองมา 2,823 ได้มาสร้างวัดป่านะครับน้อยเพราะว่าเห็นภูมิประเทศภูมิทัศน์ทั้งหลายพวกชาวบ้านทั้งหลายเขาก็ถางป่าเพื่อทำเป็นเพื่อให้ได้ซึ่งทำไร่ข้าโพดบังทำนาวัาง หลวงพ่อเห็นแล้วก็อืมน่าจะหมดป่าหลวงพ่อก็เลยจับปาดแปลงตรงนี้ไว้อจากนั้นก็ได้จากซื้อจากชาวบ้านเขาด้วยจากนั้นก็ได้ปลูกป่าเสริมขึ้นมาอีกพวกป่าดูมักข่าตะเกียนทองไม้สักอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้ก็คือการ ปลูกป่าเสริมแต่ป่าจริงๆก็ไม่น่าจะถึงสี่ร้อยไร่นะลุงพ่อว่านะ่ป่าธรรมชาติจริงๆที่เราไม่ถูกถางตุกถูกแผ่วถางเป็นป่าธรรมชาติกันออกนั้นก็มีแต่ชาวบ้านเขาทำเป็นไรเขาโพดมันสำปรหังก่อนหมดแล้วจากนั้นเขาก็สู้ไม่ไหวเพราะยาคามันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลย วก็เลยขายย้ายไปที่อื่นอีกไนตั้งแต่ปีสองสามกับปีสองห้าลวงพ่อกลับมาอีกมาจำรรษานีนะ่มาอยู่ที่นี่ปีสองห้าแล้วกับปี 27, สองเจ็ดทสะพานข้ามห้วยลางปีสองแปดสองเก้าสามศูนย์สร้างศาลาหลังนี้ พอสร้างศาลาเสร็จหลวงพ่อไปจําพรรษาที่บันเพิ่มปีสามศูนย์ตะกอนซักบันเพิ่มยังไม่มียังไม่มีวัดยังไม่มีอะไรพ่อไปเริ่มประเดิมจําพรรษาเป็นปีแรกที่บันเพิ่มวัดป่าบันเพิ่มเพาราะศาลาหลังนี้เสร็จเราก็เลยไปพักที่นู่นแต่วมากับปีสามเจ็ดปีสามแปดหลวงตาให้ทุน มาสร้างกำแพงเสร็จเสร็จปีสามเกาำแพงยาว6กกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรสิ้นเงินสมัยนั้นประมาณยี่สิบกว่าล้านสมัยปูนซีเมนถุงละย5สิบห้าบาทแต่ทุกวันนี้ถุงละร้อยกว่าบาท1้0ยสาสิบละยสี่ิบ เหล็กก็แพงขึ้นเกินเท่าตัวทุกวันนี้ถ้าจะสร้างเป็นทำขนาดที่เราสร้างเนี่ยคงร้อยล้านคงจะไม่ได้มากหลงพ่อว่านะอะไรสมัยนั้นหลวงตาท่านเมตตเมตตาเป็นทุนของหลวงตาทาั้งหมดจากนั้นก็เรามาขุดจะน้ำอีกได้หลายลูกหลวงตาเอาทุนให้เพื่อขุดจะน้ำ จากนั้นก็ทำฝายน้ำล้นที่ลำรางทุกวันนี้อันนี้ก็คือปัจจัยขององค์หลวงตาหลวงพ่อก็ได้พูดให้กับเขาได้ฟังแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาลงมากน้อยสุดแท้แต่เขานะลงเพราะว่าฟังๆดูนะ้กับเวลาเขามีคุณค่าเป็นราคา จะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้จะทํำยังไงเราก็ไม่เห็นจะได้อะไรอีกเหมือนกันนะั่นแหละก็มาำัำปาถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ดีเหมือนกับเราไม่ประกาศเกียรติคุณขององค์หลวงตาแต่ตามไม่จริงประกาศหรือไม่ประกาศเกียรติคุณของหลวงตาก็ท่วมทนอยู่แล้วแต่ในทางว่าประกาศไป เป็นผลดีลูกหลานทั้งหลายก็เป็นที่รับรู้รับทราบร่วมกันเช้าในหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัดป่านาคำน้อยของเราเกี่ยวกับลุงตาที่ท่านมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้วัตถุในวัดของเราถ้าจะว่าไปแล้วที่มองมองดู เจ้าวัดของเรานี่จะได้หลงตาสงเคราะห์วัดของเราเนี่ยมากกว่าทุกวัดนะเพราะเหตุใดก็เพราะพวกเราอยู่ไกลส่วนหนึ่งและก็วัดของเรามันกว้างอีกส่วนหนึ่งแต่สมัยนั้นก็ไม่มีไม่มีวัดไหนที่จะกว้างเหมือนวัดของเราหรือ ว, ว่าเป็นริเริ่มโดยมากเป็นวัดที่หลังของเราทั้งหมด เพราะนั้นหลวงตาท่านมองเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ท่านก็เลยให้มากแต่ไม่ใช่ท่านารักเมตตาเรามากกว่าองค์อื่น เ, เราก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นหลวงตาท่านมีเมตตากับทุกองคอ์แต่ว่าเหตุผลที่จะให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นเป็นเหตุผลของท่านไม่ใช่เหตุผลของเร า, เาถ้าเราจะไปขอเนี่ยไปขอยิ่งไม่ให้ ดงตาขอไม่ได้ถ้าท่านจะให้ท่านให้เองด้วยเหตุด้วยผลของท่านเมื่อท่านให้มาเราก็น้อมรับนำมาปรับปุงวัดของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ละความสะดวกสบายความปลอดภัยในภายในวัดและวันนี้เป็นวันที่16กันยายนพุทธจักราช2005 ร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านรักษาศีลรักษาใจรักษาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาท อย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระบรมครูของพวกเรามีพระภิกษุสงฆ์บวชในครั้งพุทธกาลห้ารูปพอบวชเสร็จแล้วก็เข้ามาเรียนมาเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานไปสอนวิธีการภาวนาพระเหล่านั้นก็ได้นํากรรมฐานของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ พอไปปฏิบัติไม่ได้สําเร็จมรรคผลไม่ถึงที่สุดก็ปรึกษากันว่าพวกเราควรจะไปเรียนกรรมฐานใหม่กับพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เพ่นพ้องต้องการเพราะบําเพ็ญไปแล้วไม่ได้สําเร็จทีจนี้ก็พร้อมกันกลับมากลับมาก็จะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุธองมองดูในอดีตว่าพิกษุเหล่านี้หารอยเนี่ยเขาเคยบวชมาก่อนไหมเคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไหมหขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านจะโปรดเทศนาว่าการให้ชุมชนกลุ่มใดท่านจะต้องมองดูในอดีตซะก่อนว่าเขาเคยปฏิบัติธรรมอะไรเป็นที่สบายเขาเคยภาวนาอะไรในครั้งก่อน มาชาตินี้เขาจะได้ต่อเติมต่อยอดเขาเหล่านั้นที่ได้บาเพ็ญมาแล้วทินี้พระองค์ก็ได้พิจรารณาตรวจตราดูพระห้าร้อยรูปที่เข้ามาเรียนกรรมฐานเพิ่มเติมจากพระพุทธเจ้าพอพระองค์รู้ว่าพระเหล่านี้เคยบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ คือในพัฒกับนี้มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์กะกุสันโธองค์แรกโกนะคมโนโองค์ที่สองกัจโโปรองค์ที่สโคตโมนองค์ที่4คือพระพุทธเจ้าของเราโคตโมอริยะเมตโยนั่นก็คือพระศรีอานพระศรีอริยะเมตไตรที่จะมาอุบัติต่อจากพระพุทธเจ้าโคตะมะอันนี้ยังไม่อุบัติขึ้นยังรอยังร อ, อ ผลต่อไปอีกจนกว่าพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าหมดศาสนาแล้วต่อไปพระศรีอานพระศรีอริยะเมตรไตรจะอุบัติขึ้นในโลกมาตรรู้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้มีห้าพระองค์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเรามองเห็นพระภิกษุห้าร้อยรูป เคยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจปะแล้วก็บรได้บําเพนได้ภาวนาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจปะอายุยืนถึงสองหมื่นปีนะท่านไม่ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็บำพอตายจากชาตินั้นท่านก็คงไปอยู่สวรรค์ชั้นผมจากนั้นก็ลงมาเกิดพอมาคราวนี้ก็มาเกิดเสร็จแล้วก็มาเรียนมาศึกษาปฏิบัติ เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าคือต่ออีกชาติแล้วไม่สําเร็จมาเกิดพบนี้ชาตินี้ต่ออีกพอไปพระพองค์ก็สอนกรรมฐานให้ไปภาวนาในป่าภาวนาในป่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จตามอย่างที่ตัวเองมุ่งมา่นปรารถนาจะได้กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เออพระภิกษุเหล่านี้ เขาเคยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าคสปะเขาบำเพ 20, ็ญทงสองหมื่นปีเขายังไม่ได้สำเร็จเท่านี้เราแต่คราวก่อนเขาภาวนาอะไรพระพุทธองค์ก็รู้ว่าพระห้าร้อยเหล่านี้ภาวนาถึงอนิจจังกาหนดอนิจจังอนิจจ์อนิจนจาของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกล้วนอ น, อนิจจ์ หาความสัตย์จริงหาความเที่ยงตรงไม่ได้ไม่มีอันไหนที่จะมั่นคงไม่มีอันไหนที่จะกิรังถาวรมีแต่อยู่ในใต้กฎอนิจจังของไม่เที่ยงทงั้งนั้นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเนี่แหละพระพรทธค์ก็เทศสอนเรื่องไตรลักษณ์วันนั้น พอกว่าผู้ใดก็าตามเห็นไตรลักษ์เป็นของไม่เที่ยงจุดตลอดเวลาจิตของใจของผู้นั้นจ ะ, จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ไปยึดมั่นไปเพื่ออะไรเพราะยึดมั่นอันอนอนี้จังของไม่เที่ยงในเมื่อของสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงมันจะมีความสุขได้ยังไงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้น เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราพิษุเหล่านั้นพิจารณาตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันทั้งห้าร้อยรูปในขณะนั้นนี่แหละอันนี้คือธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ท่านโปรดพระสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่าท่าน คิดใดคิดพูดคิดใดคิดโปรดไม่ใช่ท่านต้องดูบุพกรรมของเขาของท่านเหล่านั้นว่าเคยบำเพ็ญทางไหนมาก่อนอย่างท่านพระติดสะที่จับดอกบัวจากพระพุทธเจ้าองค์นั้นก่อนเขาเคยเป็นช่างทองมาก่อนจากนั้นเขาก็เห็นทอง ดอกปวัวทองคํายดอ ย, ย้อยสวยงามมากองค์นั้นแปลว่าติดติดในรูปก็เอารูปแก้พอเห็นรูปรูปสวยงามใหม่ๆก็สวยงามต่อไปกั น, นะเศร้ามองไปเรื่อยเรื่อยผลในสุดดอกปวัวกลับกลายเป็นสียางปีไปเลยดำปีก็เห็นอันในจังของไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละ พอมาเห็นถึงไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายรลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอีกนี่แหละอันนี้คือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านก่อนที่จะแสดงธรรมโปรดท่านผู้ใดท่านจะมองดูบุพกรรมอดี ต, ตชาติของแต่ละองค์จากนั้นก็ได้พระองค์นี้เคยเป็นฤาษีสีพลัยมาก่อนไหมแล้วมาแล้วเขาสบายธรรมเขา ภาวนาสบายด้วยทำอะไรอสบายด้วยทำอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตา เ, เมื่อเห็นเขาเห็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เกิดมาพบเนื้ชาตินี้แต่ตั้งความหวังให้สูงเอาไว้ถึงยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวัฏฏสงสารเพราะได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดถึงยังไงยังไงก็นะข้าพเจ้าตั้งเป้าไว้สูงไว้สูงสุดคือให้พ้นทุกในวัฏฏอยากได้มาเกิดอีก น, นี้ะถึงเราจะบำเพ็ญยังไงเราก็พยายามบำเพ็ญไปเรื่อยๆบางทีก็ได้ดีบางบางทีก็สงบบงังบางทีก็อไม่สงบบงังอบางทีก็ทะเลถทรายไปบงังบางทีก็เหมือนทําท่ า, เ, าเหมือนจะได้สําเร็จมกักสําเร็จผลเร็วๆอแต่บางครั้งก็เหมือนคว้าน้ําเหลว อ, อมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งไม่ใช่นะการภาวนา แต่ถึงยังไงความตั้งความมุ่งหมายและความมุ่งมั่นของเราในตั้งสูงเอาไว้อย่าไปตั้งต่ำถ้าตั้งต่ำแล้วมันยิ่งตกต่ำไปเรื่อยเพราะนั้นเราควรจะตั้งสูงปรารถนาสูงเอาไว้ถึงยังไงผมขอให้ข้าพ้นทุกในวัฏสงสารจะได้มาเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกต่อไปเพราะมันทุกข์จริงๆมันหาความสุขไม่ได้ในโลกเเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บ ถ้าเกิดมาแล้วไม่แก่อยู่เป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและก็ตายไม่เป็นคงจะหาคนบวชหรือหาคนมาปฏิบัติคงจะหายากอันนี้มันเห็นเกลื่อนไปหมด้าพิจารณาเว้นเสียแต่พวกเราไม่พิจารณาเว้นเสียแต่พวกเราไม่คิดไม่อ่านอยู่แบบชังกระตายเป็นวันๆไปจะเกิดอะไรก็เกิดอันนั้น มันก็อีกแบบหนึ่งอแต่ถ้าเราผู้ใช้จะติใช้ปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนี้ออกบวชท่านคิดยังไงท่านก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายจากนั้นเขาท่านก็หาช่องทางว่าจะทํำยังไงจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะมีทางไหมจะมีช่องทางไหมมีหนทางที่จะปฏิบัติไปได้ไหมทําไปได้ไหมวิธีแก้ไขมีไหม อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบารมครูของพวกเราท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็หาวิธีการจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกจนท่านจนพระพุทธองค์ก็ได้ค้นคว้าศึกษาพบอยู่ที่โคลนต้นโูวันเดือนหกเพนที่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เห็นหนี่ะเห็นอย่างที่ท่านสอนพวกเรา เรื่องสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสาหรับศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติท่านก็ว่าให้มีการเสียสละให้มีฐานะเท่าคนไม่มีทานคนไม่มีการเสียสละเจะเลยดูๆแล้วไปยากอีกเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันนะคนที่เสียสละทนที่มีน้ําใจในการเป็นอยู่ เอเื้อเืออื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ชาติจากนั้นก็เป็นผู้มีสินเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจากนั้นเมื่อเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจากนั้นก็ภาวนาจะทจําจิตใจยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นตามอนิจจังทุกขั ง, งอนัตตาจากนั้นก็กจิตใจดูทางใจในเมื่อทางกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อย ใจของเราก็เข้าสู่มักสู่ผลเรากำหนดตรงไหนอย่างไรใจของเราก็เป็นอัดเป็นธรรม เ, เป็นสมาธิจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาเกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแต่สำหรับพวกเราที่เป็นพระ บวชมาในรพรพุทธศาสนาอันดับแรกกันก่อนเนี่ยอุปชาก็สอนทันทีเลยเพอเข้ามายังไม่บวชที่ด้วยเสียด้วยซ้ำไปอุปอุปชาสอน เ, เกสาผมให้พิจิตรท่านพิจารณานะของไม่เทียนนะเกสาผมโลมาขนนักลาศขาเล็บทันตาฟันตะโจนงังอันนี้มีเวลาน้อยสอนเพียงหนังซะก่อนนะต่อไปท่านจงค่อย ทำด้วยเดินต่อไปอันนี้แหละก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระสาวกคือพระสงฆ์สอนกันเป็นทอดๆมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าใครก็ตามบวชเข้ามาแล้วพระอุปชาไม่ได้สอนกรรมฐานห้าให้แปลว่าการบวชไม่สมบูรณ์บวชบวชผิดกฎกติกา ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะบวชเป็นสัมปันไม่ว่าบวชเป็นพระพระอุปชาอาจารย์พระอุปชาเนี่ยต้องสอนกรรมาฐานหทันทีเลยให้เห็นนั้นของไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราร่างกายสังขารท่านให้เห็นนี่แหละหลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษา ศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติจิตตภาวนากาทำจิตทำใจยังไงจึงจะสงบจะทำยังไงจะรู้แจ้งเห็นจริงต่างคนก็ต่างพูดต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นของใครของใครของเราแต่เราพวกเราท่านทั้งหลาย ให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นที่อย่างหลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าเราจะไปเทเลทไหลไปทางอื่นเดินตามแนวแถวเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราพยายามเดินตามพอเราเดินตามแล้วก็เมื่อเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้กดใช้กดใช้ระเบียบเราใช้ แนวความหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราก็มีช่องมีทางออกแต่พวกเราใครว่าอะไรดีกว่านู่นไปภาวนาไปยึดตามที่เขาบอกกล่าวอยากจะมีฤทธิอยากจะมีเดช ท, ที่จะมีอํานาจทางจิตเพ่งนุ่นเพ่งนี้กํา ห, หนดนุ่นกําหนดนี้เข้าทรงนุ่นเข้าทรงนี้อยากจะมีอิทธิฤทธ ขอพลังจากเทวดาขอพลังจากขอพลังจากพระทิศพระจันทร์ขอพลังจากเทพเจ้าเราเทวาเทวดาทั้งหลายขออำนาจนอกมาช่วยเสริมให้มีพลังผัวนี่สุดพอออกนอกลูก่นอกทางเน่เป็นบ้าเป็นบอเถอะทำแตกเถอะวันนี้จะมาว่ายังไงว่าปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น อ, อก็เลยไม่ได้มักไม่ได้ผลเ อ, อเป็นลักษณะธรรมแตกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาหนะ้าที่พูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นนะ อ, อให้ศึกษาให้ศึกษาในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอยังไงถ้าสมัติทะจะทําจิตใจให้สงบ ให้บริกรรมพุทธโธภาวนาพุทธโธเป็นหลักกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักธาตุสมธานะแต่เมื่อพิจรารณาทางด้านปัญญาเรีอว่าวิปัสนาะให้กำหนดให้ดูกรรมาฐานห้าเป็นหลักให้ดูธาตุสี่ดินน้าลมไฟเป็นหลักให้ดูอสุภะปฏิกูลเป็นหลัก ให้พิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นอนจิจจงทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ท่องไม่ท่องเห็นคนอื่นเห็นตัวเองเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือร่างกายของคนอื่นพ่อแม่ปู่ย่าตาย า, ายวงศาคณาญาติญาติพิจสหายจะเป็นใครก็ตามเห็นเขาตายแล้วก็เปี่รนาเปรียบเทียบนอก อีกสักวันหนึ่งเราก็บอกว่าอีกสักวันหนึ่งฆ่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอันนี้เปรียบเทียบในเลยนั่นะให้เห็นให้เห็นทั้งข้างนอกให้เห็นข้างข้างข้างในในเมื่อเราเห็นข้างในเห็นตัวของเราแล้วใจของเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นใจของเราจะพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นทุกในวัตตาสงสาร ไม่มาเวียนไหวตายเกิดใครจะไปรู้ว่าพวกเราท่าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอนดีตชาติเป็นยังไงเพอเพออาจจะพร้อมที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เพราะเกิดชาติที่แล้วพวกเราอาจจะเป็นสมมาเนรีสิขา ม, มานาเป็นภิกษุณีมาก่อนและก็ฝ่ายพวกพระเนี่ยพวกพวกโยมอาจจะเป็น เคยเป็นลูกศิษย์ของพระเถระเคยภาวนาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามาก่อนจิตใจของเรามีแต่เห็นทุกเห็นโทษอยู่แล้วจะภาวนาอย่างไงจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารอยู่แล้แลวนะถ้าว่าพวกเราได้ปอมเพนต่อเติมจากชาติที่แล้วนะพวกเราก็จะได้มักจะได้ผลเพราะว่าการภาวนา การปฏิบัติการบําเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกเนะี่ยไม่ใช่เราทําพบเดียวชาติเดียวเท่านี้เนี่ยไม่มีหรอกที่จะเป็นอย่างนั้นไม่มีตําราไหนไ ม, มีอ่านศึกษาดูแล้วยาวเหยียดกันทั้งนั้นแต่และดวงวิญญาณที่จะภาวนาที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่ใช่เกิดมาพบในชาตินี้แล้วพอภาวนาพ้นลุกทุกเลย ไม่มีนะไม่มีไปศึกษาดูแล้วไม่มีมีแต่บำเพ็ญมายาวเจ็ดาบางทีก็ตกต่ำบ้างบางทีขี้เกียจขี้คลานบ้างบางทีก็ได้กำไรอย่างมหาศาลบ้างาสุดแท้แต่พวกเราแต่ละพบแต่ละชาติพบบัณฑิตนักปราชญ์พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนพวกเรา นำประพุทปฏิบัติตามำคำสอนของท่านแต่บางพบบางชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเจอกับพวกมิจฉาทิฏฐิครูบาอาจารย์แนะนำไปในทางที่ไม่ถูกเราก็ถลําอยู่จุดนั้นไม่ไปไม่มาเผลเพอยังเป็นบาปอกุศลอีกต่างหากเลยอย่างที่หลวงปู่ขาวท่านพูดท่านบอกชาติที่แล้วเราเกิดูุ่เกิดในครั้งพระพุทธเจ้า แต่เราได้อาจารย์ไม่ดีข่าวนั้นได้ไปเกิดเป็นกับพระโกกาลิกะที่ด่าพระอัครสาวกผลให้สุดเราก็เลยเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วก็เลยตกนรกกับพระโกกาลิกลีหลวงปู่ขาวท่านพูดท่านระลึกชาติวนหลังได้จากนั้นมาชาตินี้ท่านก็เลยเปลี่ยนล็อกใหม่ ท่านก็ได้นั่นแหะใครก็เป็นที่ยอมรับว่าหลวงปู่องค์ท่านี่ยได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพะระอรหันต์ง่ายๆนี่แหละอันนี้ก็คือการบําเพ็ญของพวกเราไม่ใช่ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่นะแต่ถึงยังไงก็เถิดทำให้พ้นในชาตินี้ชาติต่อไปแต่ถึงยังไงออกพ้นชาตินี้แหะดีที่สุดะ พอเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอีกเหมือนกันอาจหนักนาสาหัสกว่านี้เกิดมาแล้วได้ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาอพบใครเ ก, กะวเกวเลกะวราดไม่หาทางเลือกไม่ได้ผลในสุดติดตามเขาพอตามเขานล้วนะตกต่ําอตกต่ํานัดตกไม่ได้สร้างคุญไม่ได้สร้างกุศลในจิตในใจมีแต่ประกอบความชั่วจะมากกว่า ผลเกิดมาพบนั้นชาตินั้นไปว่าเปล่าประโยชน์ขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเอาต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะเจนีนะ่าตรงพ่อพูดกล่าวตอนรับคณะศรัทธาญาติโยมเพียงแค่นี้ก่อน เอาต่อไปนั่งขัดสมาธิจะไหนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้โยมผู้หญิงหรือจะนั่งขัดสมาธิกดสุดแท้แต่ความสะดวกแต่ในหลักธรรมคาสอนเท่าไหรให้นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเพราะร่างกายจะได้ลงตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวา แต่ถ้าเรานั่งตรงมันนั่งไม่ได้มันนั่งขัดสามาดไม่ได้บางคนคนนั่งพับเพียบจะดีกว่ากระสุดแท้แต่ในเมื่อทั้งพับเพียบคือนั่งคัดสมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกคือไหว้ครูซะก่อนไหว้พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พุทธโทธธรรมโมสังโฆพุทธโทธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ จากนั้นเราจะแผ่เมตตาหรือจากนั้นเราจะขออโหสิกรรมกับทุกวิญญาณทุกท่านทสิ่งที่มันผิดข้าไปเจ้าใดทําตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหนก็ตามที่เราทําไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกับผู้ใดก็ตามสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ถูกข้าไปเจ้าขอกราบคารวะในเรื่องนั้นๆ องค์อดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปข้าพเจ้าขอรับด้วยหลักหลักเหตุผลเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ดื้อดึงข้าพเจ้าจะรักรับด้วยหลักเหตุรุ่นหลักเหตุและหลักผลที่ถูกต้องแล้วก็ขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทางหลายในโลกดวงวิญญาณใดตกทุกข์ข้อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงๆทุกๆท่านทุกดวงวิญญาณ เราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอ น, นี้จากนั้นเราก็ให้ข้าแผลเมตตาเสร็จแล้วเราก็เอามือลงนะทําไมจึงแผลเมตให้แผลเมตตาเรื่องอโหสิกอย่างนั้นก็เพราะว่าเราเกิดมาในโลกเนะี่ยบางทีเกิดกับพ่อกับแม่บางทีก็ทําไม่ทุกไปด่าพ่อด่าแม่บางไปทําจนพ่อแม่น้ําตก พ่อแม่ของเราก็มีกิเลสใช่ไหมล่ะตัวของเราก็มีกิเลสแต่ว่าพ่อแม่มีกิเลสก็จริงอยู่แต่ดูด่าว่ากล่าวลูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นโทษเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่แต่เราเนี่ยเป็นเด็กผู้น้อยกว่าไปกล่าวโทษพ่อแม่นั้นเป็นบาปเป็นกรรมมันแปลกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบาปกรรมอะไรก็ตามที่เราได้ทําไม่ถูกต้องทกเรื่องเอเราน้อมรับ ขอให้อาหูสิเราจะได้สํารวมระวังต่อไปจากนั้นค่ะค่อยๆว่าจิตใจของเราอ่อนน้อมเลยทีอ่อนน้อมทอมตนต่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจากนั่ง น, นั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายบริกรรมพดโธเลยหายใจเข้าพดหายใจออกโธหายใจเข้าพดหายใจออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมออกไป หรือเราจะกําหนดกับมีสติซ้ำปชัญญาอยู่กับตัวเองเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นะสติของเราอยู่ในกายนะนั่งอยู่เนี้ยไม่ให้จิตไปปุ่งปุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่ในกายเนะี่ยให้อยู่ในร่างกายของเราเนะี่ยให้ดูรู้อยู่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ไม่ต้องกําหนดลมให้อยู่อยู่ในกายของเรา เอาสติอยู่กับกายของเราขอบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติ น, ะนี่แหละวิธีการฝึกถ้ามันอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไปโน่นไปนี่จากนั้นก็นํามาพิจารณาแยกแยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายเกษาผมอาถอนผมกองไว้ถอนขนกองไว้ถอดเล็บกองไว้เอาถอนฟันกองไว้อ ชัแหลหนังของเราเนี่ยกองไว้จากนั้น เ, นเอาเนื้อกองไว้เอาตับปอดไตลำไส้กองไว้เป็นกองๆสามสิบสองกองว่าร่างกายมีอยู่อาการสามสิบสองะเราเอาสำลรออกมาสามสิบสองกองอพอ ม, มากองเสร็จแล้วเราก็ดูเลยนอันนี้ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นได้ให้จิตใจของเราเป็นสมาธิก่อนนะ เป็นสมาธิพอสมควรอถ้าว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิเนี่ยพอพิจารณาไปก็ตกๆลนๆ ห, หายๆ ห, หลุดๆไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นไม่ค่อยดีถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิ ด, ดเเีเสร็จแล้วก็นํามาพิจารณาจัดเป็นกองๆองๆองๆองๆเสร็จแล้วแต่อันไหนเป็นผมผมเป็นของเราใช่ไหมถามใจลเลยเถิดถามใจคือตัวผู้รู้อยู่นี่แหละเอะเมื่อจําแล้ว กายออกไปหมดแล้วนะ่ใจมันอยู่อย่างไงอยู่ในความรู้สึก อ, อกายไม่ อ, อผมไม่ไม่ใช่เราคนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเถามดูสิหนังห ล, หลวงพ่ออินใช่ไหอหนังหนังก็เงียบอ อ, อ, อใช่หนังเราจริงยุแต่มันถลอกออกไปอย่างนั้นแล้วมันมีแต่มันจะเน่านะ มันจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจใช่ใจก็รับรู้แหละจะเนว่าร่างกายสังขารขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราหาสาระแกนสารยังไม่ได้ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นพังลาบลงสู่ดินน้ำลมไฟขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งอื่นจะนับว่าเป็นของเราได้ยังไงใจใช่ไมใช่ เนี่ยจะนั่งดูกายให้ละเอียดเป็นที่ยอมรับของใจจากนั้นก็พิจารณาถึงใจเลยใจคือตัวผู้รู้นามธรรมจุดนี้แหละเป็นตัวการใหญ่เดูใจเลให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกมันจะเป็นนิจจังได้อย่างไงใจมันคิดตุกเรกตุกเร็กตุกเร็กตุกเล็กตุกเร็กเมื่อเห็นใจของตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ใจของเราก็เบื่อหน่ายใจของเราถึงไอนพอเบื่อหน่ายใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในตัวของเราเองเบื่อหน่ายแล้วจิตใจไม่ยึดมั่นแะ้วอังนั้นก็มักผลนิพพานไม่ต้องถามหาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราเพราะนั้นในพวกเราตั้งใจนะภาวนาดูกายดูใจสรุปแล้วขั้นสุดท้ายจริงๆการปฏิบัติดูต่กายอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้าเราจะไปดูใจอย่างเดียวแล้วมาจับไม่ได้แหถ้าจิตใจไม่เป็นสมัทธาซะก่อนจิตใจไม่นิ่งซะก่อนเราจะมาจับใจเลยไม่ได้จับไม่อยู่หุดหุดวิดปิตะคุบหน้าตะคุบหลังไปเรื่อยเลยนะ เ, เพราะนั้นทางว่าเราจับเป็นสมาธิดีแล้วอพอจับกายอยู่แล้วจับลมอยู่แล้วพิรณากายอยู่แล้วนิ่งแล้ว พอมาจับใจในอยู่นะจะจับที่ไหนติดที่นั่นจับที่นั่นอยู่ที่นั่นเลยไงเนะี่ยให้พวกเราปฏิบัตินะ่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะเอาต่อไปเปิดเอ3สามได้แล้วนะที่นี้นะเปิดได้